คนจีนที่มาใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนมีไหม่สิคิดว่าจะมาฟังฟังถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไปฟังที่อื่นได้เลยคนจีนที่มาใหม่ๆนะอยากเรียนกรรมาฐานนะต้องรู้หลัก ของการปฏิบัติการทํากรรมฐานไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิไม่ใช่เรื่องการเดินจงกรมนานๆไม่ใช่เรื่องว่าจะต้องไปขยับมือทําจังหวะหรือไปกาหนดท้องพองยุคสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่เปลือกเป็นรูปแบบของการปฏิบัติเนื้อในของมันคือการเจริญสติ ในน้อในของการปฏิบัติคือการมีสติบมืองจีนมันมีไหมไอ้ปูแดดหรือเปล่าเห็นไม่มีอะไระเห็นคนจีนอย่างเลือกๆเลือกๆบื อ, อบงไทยมันมีปูชนิดหนึ่งนะเรียกปูเซชวนมันแปอาศัยเปลือกหอยอยู่ แล้วเวลาตัวมันโตขึ้นมันก็ย้ายเปลือกเปลี่ยนไปไอ้เรื่องการปฏิบัติทำแบบโน้นทำแบบนี้มันก็แค่เปลือกหอยเท่านั้นแต่เนื้อในที่เป็นตัวเนื้อแท้คือการที่เราจะต้องมาฝึกความมีสติกา่มีสติไม่ใช่เรื่องยากอะไรคอยรู้สึกในร่างกายคอยรู้สึก ในจิตใจของตัวเองแค่รู้สึกไม่ใช่บังคับไม่ได้เพง่งเอาไว้แล้วก็ไม่ใช่คิดจุดอ่อนของคนจีนจำนวนมากนะก็คือความช่างคิดไปคิดว่าทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีถ้าทำไปด้วยความโลภมันก็จะไปปรุงแต่งคิดขึ้นมา เหมือนพิคสุนีเนี่ยชอบลรุงแต่งจิตไปแต่งให้มันนิ่งๆย่างไม่เลิกมเนี่ยเออไม่แต่งดนั้นมันจะไม่ได้หลักของการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์จริงๆเพื่อให้ใจเนี่ยพ้นทุกข์ ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใช่มันมีความทุกข์ได้เพราะมันรู้สึกว่าร่างกายนี้จิตใจนี้คือตัวเราของเราเพราะมันร่างกายเป็นตัวเราพรร่างกายแก่มันก็เป็นเราแก่ร่างกายเจ็บมันก็เป็นเราเจ็บร่างกายตายมันเป็นเราตายวล้จิตใจมีความสุขเพว่าเราสุข จิตใจเป็นทุกข์เพราะว่าเราทุกข์เพราะความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรานั่นแหละเวลาเกิดอะไรขึ้นในกายเกิดอะไรขึ้นในใจใจิตใจมันเลยมีความทุกข์ขึ้นมาอย่างเวลามีความสุขเกิดขึ้นในใจเราเราก็อยากให้มันอยู่นานๆแค่เราอยากขึ้นมาใจก็ทุกข์ลว ใจมีความอยากมาเมื่อไหร่ใจมันถุกมืนั้นเราจะปฏิบัติจนมันสิ้นความอยากความอยากทั้งหลายแหล่นั่นก็มีแค่อยากให้ร่างกายให้จิตใจเป็นสุขอยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจไม่ทุกข์ความอยากมันก็มีแค่นั้นแหละเที่ยวดูนางฟังเพลงเที่ยวกินเที่ยวเล่นนะ เกี่ยวทัศนจรเลยก็หวังว่าจะมีความสุขมีคู่ครองก็หวังว่าจะมีความสุขมีลูกก็หวังว่าจะมีความสุขมีเงินก็หวังว่าจะมีความสุขจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องการในชีวิตนะคือความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วความสุขมันสั้นนิดเดียวแค่อยากจะมีความสุขเราก็ทูกแล้วยังไม่ทันจะผิดหวังก็ทูกแล้วล่ะ งัถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆจะมาเที่ยวหาความสุขแล้วเราไม่สามารถพ้นทุกข์ได้เพราะแค่อยากมีความสุขก็ทุกข์แล้วดิ้นรนได้ความสุขมาแล้วก็เด็ดเหนื่อยความสุขอยู่กับเราเพียวเดียวก็หายไปงั้นจริงๆเราอยากพ้นทุกข์แต่คนทั่วไปก็ดิ้นรนหาความสุขยิงดินยิงถูกมากขึ้น พระพุทธเจ้าก็สอนให้เรารู้ว่าความทุกข์มันมีเหตุความทุกข์ในใจเรามีเหตุให้เกิดคือความอยากใจมีความอยากเมื่อไหร่ใจมีความทุกข์เมื่อนั้นอันนี้ลองไปดูความจริงนะในใจเราดูว่าทุกครั้งที่อยากมันถูกจริงไหมไปดูเอาเวลาใจอยากให้นมาก็รู้เอารู้เอาไปที่เห็นได้อยากที่อะไรก็ทุกทุกทีแล้ว นี้พอเราเห็นว่าความอยากทําให้เกิดความทุกข์เราก็อยากอีกอยากจะไม่อยากอยากไม่อยากก็ยิ่งทุอีกเพราะเรื่องคืออยากนั่นแหละพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนให้เราแก้ที่ว่าทํายังไงไม่เกิดตัวอยากนะไม่ได้สอนแค่นี้พยายามบังคับจิตไม่ให้อยากทําไม่ได้ไม่มีใครบังคับจิตได้ ทเลยสอนให้ทำลายต้นต่อของความอยากตามทันไหมทีแรกเรามีความทุกข์ท่านก็สอนให้เรารู้ว่าต้นต่อของความทุกข์อยู่ที่ไหนต้นต่อของความทุกข์อยู่ที่ความอยากแล้วก็ท่านสอนต่อพี่ยิงต้นต่อของความอยากคือความไม่รู้ความจริงของกายของใจ ความอยากทั้งหลายเราไปดูดเลยก็คืออยากให้ร่างกายให้จิตใจเป็นสุขอยากให้ร่างกายให้จิตใจไม่ทุกข์มันก็อยากอยู่แค่กายกับใจเนี่ยอยากเป็นประธานาธิบดีก็รู้สึกว่าเป็นเราดีเท่ยิ่งใหญ่สนองกิเลส ม, มีความสุขอยากอะไรนะก็ทุกข์หมดเลยงั้นเราจะไปแก้ความอยากด้วยความอยากไม่ได้ อย่างเรามีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ว่าความอยากทำให้เกิดความทุกข์เราก็อยากที่จะไม่อยากอยากที่ไม่อยากก็คืออยากอยากจะไม่อยากเรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่เราจะต้องทำลายต้นตอของความอยากคือความไม่รู้ความจริงของกายของใจ ถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากมันจะไม่เกิดขึ้นอีกการรู้ความจริงของกายของใจเรียกว่าวิชาการไม่รู้ความจริงของกายของใจเรียกว่าอาวิชาเาะฉั้นถ้าเราทำลายอาวิชาได้ตัณหาคือความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อตัณหาไม่มีความทุกข์ในใจก็จะไม่มี ํารสอนของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลมีเหตุก็คือมีอวิชชาไม่รู้ความจริงของกายของใจก็เกิดตัณหาตัณหาเป็นผลของอวิชชาตัณหาก็กลายเป็นเหตุของความทุกข์ทำให้เกิดความทุกข์งนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องเหตุกับผลล้วนๆเลยการที่จะทำลายผลทําลายที่ตัวผลไม่ได้ต้องทาลายที่ตัวเหตุ อยากจะทําลายความทุกข์เนี่ยตราบใดที่ตัณหายังอยู่ความทุกข์ก็ยังอยู่ตราบใดที่อวิชชายังอยู่ตัณหาก็ยังอยู่อวิชชาคืออะไรอวิชชาคือการไม่รู้ความจริงสี่ประการคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทยัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคก็คือการไม่รู้อริยสัจสี่และวอริย ส, สัจสี่มังเป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ถ้าเราไม่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ ส, สี่เราอย่างเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิก <Yeah. S 1> วิชามันยังมีตัณหามันก็เกิดการสร้างพบสร้างชาติสร้างทุกข์ก็ยังไม่จบเนอริยสัจ ส, สี่มีทั้งสี่ข้อคือตัวทุกข์สมุทยัยนิโรธ ม, มรรคเวลาปฏิบัติจะทํำยังไงให้รู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์ทรมานทั้งหลาย คำว่าทุกข์ในอริยสัจเนี่ยก็คือกายกับใจเรานี่เองคือรูปธรรมนามธรรมนี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรูนะ้รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจรู้บ่อยๆจนเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตจะหมดความยึดถือกายจิตก็จะหมดความอยากเกี่ยวกับกายมีสติ มีปัญญาเรียนรู้ลงไปที่จิตใจนามนธรรมเห็นความจริงของนามนธรรมนะว่ามันคือตัวทุกข์ความรู้สึกทั้งหลายก็เป็นตัวทุกข์จิตใจที่เป็นตัวรับรู้ก็เป็นตัวทุกข์พอเราเห็นความจริงของนามนธรรมว่าเป็นตัวทุกข์จิตก็ไม่ยึดถือนามนธรรมไม่ยึดถืกอกระทั่งจิตเมื่อเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตเรียกว่าเรารู้ทุกข์มแจ้งแล้วมันก็จะไม่ยึดถือ ถ้าเรายังไม่เห็นความจริงของกายเราก็ยึดกายไม่เห็นความจริงของจิตเราก็ยึดจิตอย่างพวกเราจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราก็จะดิ้นรนให้ร่างกายมีความสุขดิ้นรนให้ร่างกายไม่ทุกข์แต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเวลาทุกข์น้อยคนไม่มีปัญญา ก็เห็นว่าเป็นความสุขงั้นถ้าเราเห็นความจริงของกายนะเราเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆว่าจริงๆกายนี้มันสุขหรือมันทุกข์นะคอยดูมไปเรื่อยๆถึงวันที่มันเห็นความจริงของกายนี้คือตัวทุกข์มันจะหมดความยึดถือกายต่อไปเวลาแก่กายเมันแก่ไม่ใช่เราแก่เราไม่ทุกข์เพราะความแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเป็นคนเจ็บไข้ร่างกายเป็นตัวทุกข์มันเรื่องธรรมดา ใจเราไม่ทุกข์ด้วยเวลาจะตายร่างกายมันจะตายใจเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายมันคือตัวทุกข์มันต้องตายมันต้องแตกสลายถ้ายอมรับความจริงตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราหมดความยึดถือในร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายเรามาเฝ้ารู้ความรู้สึกในใจเราเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดไม่ประสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่ว เกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วดับความดีเกิดแล้วดับโลภโกรธโลงเกิดแล้วดับเข้ารู้อย่างนี้ก็จะเห็นความจริงของมันคือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรจะเอาดิ้นรนหาความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวก็ดับเงั้นความสุขไม่ใช่คําตอบที่จะพ้นจากความทุกข์เพราะความสุขเองก็เกิดแล้วก็ดับ แต่ความทุกข์มันเป็นของจริงถ้าใจอยอมรับความจริงได้ใจก็จะไม่อยากอย่ยงพวกเราเห็นร่างกายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราเห็นจิตใจของตัวเองเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างถ้าเราเฝ้ารู้ลงไปจิตใจเองก็เต็มไปด้วยความทุกข์มีความสุขขึ้นมานะเดี๋ยวเดี๋ยวก็าหายไปมีความโลภขึ้นมาความโกรธขึ้นมาความหลงขึ้นมาทุกครั้งที่เกิดกิเลสจิตใจก็ถูกทิ่มแทง ถูกเสียดแทงถูกทําำลายเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะจิตใจนี่ไม่ใช่สูงบ้างทุกบ้างหรอกจิตใจก็เหมือนร่างกายก็คือทุกมากกับถูกน้อยเวลาจิตใจทุกน้อยเราก็รู้สึกมีความสุขเมืนอทุกแรงขึ้นเราก็ยอมรับว่าทุกแต่ถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าเฝ้ารู้จิตใจต่อเนื่องไป เรารู้ความเจริงเจตใจเนี่ยคือตัวทุกข์รุนแแต่มีทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองจิตมันจะหมดความยึดถือในตัวจิตเมื่อหมดความยึดถือจิตเนี่ยความหิวโหยต่างๆจะไม่เกิดขึ้นตัวตัณหาจะไม่เกิดขึ้นตัณหาเป็นความวหิวโหยของจิตอย่างเราอยากมีความสุขเราก็ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงหาของอร่อยกินอะไรอยงี้เรารู้เลยความสุขเป็นของไรสาระเดี๋ยวเดียวก็หายไป ใจยอมรับความจริงตดงนี้ไดนะ้ใจไม่อยูดถือใจใจจะเข้าถึงความสูงอีกชนิดหนึ่งนะตรงที่ใจไม่อยูดถือใจแล้ว เ, เรียกว่าเราเข้าถึงพุท ธ, ธาภาวะลนะเข้าถึงพุท ธ, ธาภาวะนะคนจีนจะรู้จักคำนี้จะเป็นพระอรหรนะนะันต์นล้แหละถึงจะถึงพุท ธ, ธาภาวะจริงถึงพุท ธ, ธาภาวะได้เพราะว่าไม่ง่อยีกต่อไปแล้วรู้ความจริงแล้วกายนี้คือตัวทุกข์ มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยรู้ความจริงแล้วว่าจิตนี้คือตัวทุก์มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยพ็หมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจหมดความยึดถือกายยึดถือใจอะไรจะเกิดขึ้นกับกายอะไรจะเกิดขึ้นกับใจจิตใจจะไม่หวั่นไหวอีกต่อไปแล้วจิตใจจะสงบสุขมีสันติไม่ก็เพิ่มขึ้นไม่ก็เพิ่มลงนี่แหละ คือกรอบทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเราปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะพ้นทุกข์เราจะพ้นทุกข์กได้เราต้องทําลายเหตุของทุกข์เหตุของทุกข์คือความอยากความอยากเกิดจากอะไรเกิดจากการไม่รู้ความจริงของกายของใจไม่รู้ความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราไปเห็นความไม่จริงว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างสุขบ้าง ไม่นก็เกิดความอยากอยากได้ความสุขอยากอยากหนีความทุกขนะ์เราไม่เห็นความจริงของจิตใจว่าเป็นทุกข์รุนล้วนเพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราไปเห็นว่าจิตใจเราทุกข์กับสุขมีทุกข์มีสุขเราก็ดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ้นรนหาความสุขเนี่ยความอยากมั น, นมก็เกิดขึ้นอยากสุขอยากไม่ทุกข์ขึ้นมานะความอยากทั้งหลายก็เกิดจากการไม่รู้ความจริงของกายของใจ แค่ ämän, เรามีสตินะคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจดูลงไปว่าจริงจริงกายเป็นยังไงดูลงไปว่าจริงจริงจิตใจเป็นยังไงอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าเข้าไปบังคับกายบังคับใจอย่าไปปรุงแต่งกายอย่าไปปรุงแต่งใจให้ดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงนีนันาปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะปรุงแต่งกายปรุงแต่งใจไปหมดเลยฟี่ก็ไปติดรูปแบบของการปฏิบตัตนะิคิดว่าเนี่ยต้องไปขยับทำจังหวะอะไรนะ ถึงไม่ทำจังหวะนะร่างกายขยับเนี่ยมันก็รู้เลยสติรู้เลยร่างกายเคลื่อนไหวปัญญาแทงตลอดลงไปเลยตัวที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นตัวทุกนะถ้าอย่างนี้ถีงจะภาวนาเป็นเร่งกับหลวงพ่ออดทนนิดนึงนะหลวงพ่อสอนไม่เหมือนคนอื่นหรอกที่อื่นส่วนใหญ่เขาจะสอนรูปแบบนั่งอย่างนี้เดินอย่างนี้หายใจอย่างนี้ขยับมืออย่างนี้ขยับเท้าอย่างนี้ ให้ได้เกิดเปลือกแก่นแท้คือเรื่องของธรรมะที่หลวงพ่อสอนนี่แหละเราปฏิบัติเพื่ออะไรต้องรู้เพื่อพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ต้องรู้ว่าทุกข์เกิดจากตัณหาตัณหามันก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ตัณหาเกิดได้เพราะไม่เห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุข ไม่เห็นความจริงว่าจิตใจเป็นตัวทุกข์มีทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราไปเห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพอเห็นว่ามีสุขทุกข์มันจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ตัณหามันก็เกิดงั้นเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนั่นคือคําตอบพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าสติปัฏฐานสี่เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานสี่ไปดูเธอก็คือรู้กายรู้ใจ รู้ให้เป็นอย่าไปแทรกแซงอย่าบังคับกายบังคับใจยิสุนีเนี่ยชอบบังคับใจชอบบังคับนะอะไรเงี้ยยิสุนีที่นั่งแถวที่สองเนี้ยน ะ, นะเรานั้นนยแหละหันไปไห น, นชอบบังคับนะใช้ไม่ได้นะฮะพอเราบังคับเนี้ยกายกระใจจะผิดธรรมชาติเวลาเราปฏิบัตินะเหมือนเราจะจับกระต่ายสักตัวนึง กระตายอยู่ในรูเราถือไม้ไปเฝ้าอยู่ปากรูกระต่ายมันจะโง่ออกมาไหมไม่ออกมาเพราะนเราจะดูกิเลสในใจเราทํางานนะเราไปนั่งจ้องอยู่ที่จิตกิเลสไม่โปลุขึ้นมาให้เราดูหรอกไม่มีอะไรผุดขึ้นมา ม, มีแต่เฉยๆเราไปจ้องรูกระต่ายกระตา่ะตายก็ไม่ขึ้นมาก็ เ, าเหลือแต่รูว่างๆนิ่งๆนีๆ่าไปจ้องมันทําเป็นไม่รู้ไม่ช εί, ี้เผลอๆไว้ เดี๋ยวมันกระตายมันก็ขึ้นมาตีพัวมันเวลากิเลสเหมือนกันเราทำใจสบายๆเดี๋ยวกิเลสก็โผล่ขึ้นมานะกิเลสโผล่มาล้วก็รู้เราก็เห็นเฮ้อโลภเกิดแล้วก็ดับหลงเกิดแล้วก็ดับนะฟุ้งซ่านสงบเกิดแล้วก็ดับมีแต่ของเกิดแล้วดับเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยๆดูความจริงของจิตใจไปนะแค่นี้แหลนะนี่คือกรอบทั้งหมดของการปฏิบัติที่เราจะต้องฝึกกัน ก็คือการฝึกเห็นความจริงของกายของใจเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานในการทำวิปัสสนาจะทำได้ดีก็มีพลังของสมาธิจิตต้องตั้งมัน่นตัวนี้คือการฝึกสมาธิเพราะฉะการฝึกสมาธิก็เพื่อจะได้ไปเจริญปัญญาไปดู y o u youtube อ you ยูกูอะไรนะที่หลวงพ่อสอนไว้สอนไม่เยอะแยะแล้วแล้วอทนนะเ้าเรียนรู้สักช่วงหนึ่ง มาฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆงงทุกรายนะเก่งมาจากไหนก็งงเพราะหลวงพ่อไม่ได้สอนว่านั่งยังไงเดินยังไงหายใจยังไงหลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัติจริงๆฟังแล้วมันไม่เคยฟังเหมืึงก็งงฟังซ้ําแล้วซ้าอีกเดี๋ยวก็เข้าใจเพราอเข้าใจแล้วการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวเลยคนอื่นก็ยัง ง, งมทําความสงบอยู่เราหลุดพ้นไปแล้วเสียเวลาทําผิดๆก็เสียเวลา อาหารไปทางโน้นไปผู้นี้หลวงพ่อไม่อยู่นะนี่หลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อจะต้องเข้าโรงพยาบาลอาหารไปทางโน้นไป